ชายผู้หนึ่งนามว่านินางกะวะกำลังจะสิ้นลมครั้งนั้นอาจารย์เซ็นชื่ออิคิวได้แวะมาเยี่ยมแล้วกล่าวถามอย่างตรงไปตรงมาแข่งกับเวลาว่าอ น, นุญาตให้ผมนำทางท่านจะได้ไหมนินางกะวะได้ยินเช่นนั้นก็ตอบโดยปราศจากความหวังอันใดผมมาสู่โลกนี้ตามลาพังและกำลังจะจากไปตามลำพัง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 ที่อยู่นอกขอบเขตของการเวลาไม่ได้เคยมาพร้อมกับกายใจและไม่ได้จะจากไปพร้อมกับกายใจด้วยความแจ่มแจ้งหน้าที่นั้นท่านนินางกะวะจึงยิ้มอย่างงดงามแล้วตายอย่างสงบเยิ่ยงพูดถึงสตริคนหนึ่งจากหนังสือคิดจากความว่างสามอันที่จริงเมื่อกล่าวถึงสิทธิ์ในการบรรลุธรรมนั้น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 เลิกหลงสำคัญผิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอัตตาแล้วกับทั้งมีจิตใจที่เบิกบานเป็นธรรมชาติถาวรแล้วเป็นสุขสูง ส, สุดอยู่กับใจที่พอใจที่วางใจที่ว่างของตนแล้วจึงไม่อาจฟุ้งซ่านหดหูหรือกระวนกระวายใดๆด้วยความโลภความโกรธความหลงผิดได้อีก 2. เราไม่จำเป็นต้องเกิดมาก็ได้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 งานที่ชอบใจบางอยา่างอาจต้องลุยป่าลุยเขาหรือออกต่างจังหวัดรับหูรับตายาดมิดเขาก็ไม่มีเวลาคิดว่าตัวเองอาจตายในท่าไหนเมื่อไหร่อย่างไรอาจตายใต้ต้นไม้ตรงไหนสักแห่งที่ไม่มีคนเดินผ่านอาจตายเพราะถูกฟ้าผ่าขณะไต่เขายักแย่ยักยันหรืออาจตายเพราะโดนยิงขณะทําหน้าที่นักข่าวถ่ายภาพคนอื่นยิงกัน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 จากหนังสือคิดจากความว่างสอง